ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยไดยแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตี่ทั้งนั้นเดยพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานำมารับทานนีเป็นประโยชน์จากร่างกายจ่ายนี้มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักบรบหล่มแหลงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทร ง, างดาเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น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 ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนรน า, นานับไม่ได้เลยที่สังสอนจะโลภให้พ้นไปได้โดยลำดับลาดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเราวาสก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตาม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 ศาสนาธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดท้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปฏิพันธ์ก็จะประทานพระว่าดไว้กับพระนนท์ตอนที่พระนนท์ปทุนถามท่าน ว่เมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะนทิ้งเกศทิ้งสมัยหมดเขกศหมดสมัยพูดตามภาษาขงเราก็ว่าพระนริอท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรนถามถามาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคทดมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานเท่นานั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามารรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทํำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติทำํำทุกคนจะทํายังมีอยู่พระละหันไม่สิ้นจากโลกอนุญอย่าสงสัยนะทำนี้นัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถาคตเมื่อ เรปรณิพัน์ไปแล้วนั่นแหะฟังนี่เป็นหลักทั้งั่นฉะนั้นการปรณิพาน์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพานที่พระองค์จะทรงลือถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพันธ์หมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน ว่าดต้องมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพาน์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพานธ์ไปแล้วก็หมด พุทธพาละในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ ท, ทรงพระชนอยู่ก็เป็นนั้นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพระาะว่าที่ทรงสั่งสอนไม้แล้วเพื่อมรรคผลิพันธ์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องตน้นก็นได้พูดถึงเร่างนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยม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 มาสั่งสอนโลกโดยลําดับลาดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านคอยสาเร็จมรรคผลนิพานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั่นก็ประทานพระาวา่าไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือ มัชฌมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเรื่องเตือนใจของเราเป็นขแขนงขแนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิฏฐิสัมมาสังกปะจะมาตั้งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไป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 สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอะคีวสัมมาบยาโวสมาธติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลําดับตัางๆมีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีลายบกพร่องถ้ามัคกคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง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 ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมนี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ ก, กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิบัทานนี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสมาติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวพิเรียดอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวพิเรีด อ, ออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยบคายของตนแตมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ไม่อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตาม สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสาคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกทั้งขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสําคัญมัน่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่ง น, นี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่นี้ว่าชั่วมันว่าไปางั้น่ะกิเลสที่เราก็คล้อยตามหล ง, ล ง, ลงตามหมาลงตามมืหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความท ร, รมานทาง จ, จิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสศษสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลาย สนั ara, ้น DA, ให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปรอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรนี่อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลค้าว่าบุค้าว่าคนว่าหญิงว่าชายมีอะไรกิเลสอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีรังท้าวั ว่ามีคุณมีค่าอนั้นอย่าง น, นี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่จะให้คนหลงค่้อยตามไปล่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดอเราที่ไม่ได้ใช้หวัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ามีแต่ความทุกข์ความลาบากภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจนี่เพราะอํานาจแหงความเชื่อในกิเลสคลอยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารนาแยกแยะอ้าว ยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างทีงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเองกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันนี้แลวนี้มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนเนี่ย จะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจอให้ปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลับของมันสล้างไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปคล้องกับสิ่งใดล่ะ อันนั้นเป็นนั้น น, นี้เป็นนี้ก็ทราบอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชันไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจากเบาไม่รู้จักเป็นจากตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดถั่วก็ยึดรักก็ยึดชั่งก็ยึด เบียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นจัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเท่าไรก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาใหา้กิเลสพาให้ ย, ยึดก็จมไปจมไปจิตจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่าทําลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดคดลงไปให้ถึงรากฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ําทําลายดีขึ้นมาดีขึ้นมานั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง ทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่เที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่า มีแต่ความบังคับบัญชาจิตใเฉยโดยไม่มีรสไมีชาตโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำมาไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีจต่การบังคับให้ทําั่นแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเรา ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถไม่มีท่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอยงนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไหนโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำ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 นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานของทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทําอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาชวะงานบําเพ็ญกุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห่นการทําทานทานแล้นเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นพระจักรอยู่นี่นั่น รุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำทันลานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อ ก, การกระทบกระเทือนร่างกายและใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ําก็ตามให้ ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ข้าวต้มขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชดัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นจะชัดอยูอย่างนี้เพราะฉะนั้น ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกัรนักการนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่แทนเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทําความรบเรียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้อง ต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่ ส, สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกา ร, าการละกันรูดด้จิตู้วใจซึ่งกันละกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศิลประเภทใดมีความเย็นนี่นั่นก็พอใจรักษาศีนถึงจะรักษายากนั่นก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี้อั่งชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเรา เราไม่ก่อความเดือดร้อนในแก่ผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ป่นไม่สะดมม้งใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะสีลงของเรล่านี้เราก็พอใจรักษาี่การภาวนาเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกจะลำบากก็เราทำงานเนี่ยต่วค่าตัวมันเสียดจันทรลายอยู่ภายในจิตใจของเรา เหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภา พ, าพภายในใ จ, ใจิตใจ ถ้ามากกว่า น, นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไง น, นี่เนี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่เล็กที่น่ายสิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัจรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้ว เราจะเลี้ยงมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียดเบียน ค, ยนคอยยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจขงเราให้ชอกช้ําขุ่นโมยตลอดเวลานอกจากนั่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนื่อยล้นแนตั้งแต่เสือลา่านเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทําาอนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทําลายเสือลาอ่านนี้ปราบปรามเสือลา่านี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อ บ, บ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความโล่งเย็นมันสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสากยาบุตรพุทธกินโรดพุทธกินโรดคือบริษัทของผู้ได้เจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นขินเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทูกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาตายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสําคัญที่มัน ทาคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราเพอได้ชติสตังและมีเครื่องศัตราวุฒได้แก่ธรรเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวพลเรมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมพิเรศ มีแต่การทำลายกิเลสเดิมลำดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอาเข้าทางกรมก็ไปฆ่ายุ่งกองนันเนรหน้าอาารย์กรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่นั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุชลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันท่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานีมนุ์พระมาคุศลาธรรมมาคุศลาธรรมมายุ่งไปยุ่งมา ลำบากกระเปะ๋เนียวฆ่าตัวพิษตอภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุฒิทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไมว่มาพระพุทธเจ้าองค์ใดด้วนนี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้응 เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับพิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเราย่ากก็เอาพราะปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งสวราอยู่ภายในจิตใจมันจิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพ่อพิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่ไดมากัดมาฉีบมายุ่แย่ทําลาย แสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบาย ส, ายสุขขังวัตะสุขขังวัตะอย่างพระมหากระดินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบัญฑลมกลางคืนพอดีเพราะเสด็จออกมาสงฆ์นวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระละหันแล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังวตะสุขขังวัตตะสุขนอสุขน อ, ขนอก็สุขราศีไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยย่ก่อกวนพนาะในจิตใจ โล่งไปด้วยสีด้วยอดด้วยธรรมโล่งเพด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกทานนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากยี่เหลียมตัญหาอสุภะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกลายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนีย์จันทร์อะไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้หแสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่ง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 นักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยก็จะหลบเอะคอยจะหลบน ะ, ะบแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักโรคสู้นี่แหละาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระเด็ป น, นปณิธานไปแล้วกว็าตามอันใดที่ทรงชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้า ตรัสไปแล้วว่าสวัขาตัวก็ตัดทมูตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกระทำก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดรัมดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอย่างสมพระชนู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในถ้ำกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องนิงงามพระุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นพาะชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เรา ใจที่เาเหมาะสมกับทำได้จใจใจไข่ถ้าไม่ได้ใจใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดึ่งัขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตาทาโคตแล้วพระพุทธเจ้าจกคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละที่จะยอ่ออย่างพอสมคุร <laughs> อยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละอะไรอยู่บนอากาศไม่มีแอ